สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธอพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคํากฎที่11คือกฎอะไรที่มาก่อนและอะไรมาที่หลังครับวันนี้เราอยู่ในประเด็นหรือหัวข้อที่13เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะต้องรื้อถอนก่อนแล้วค่อยก่อสร้างทีหลังรื้อก่อนแล้วจึงค่อยสร้างทีหลังครับ พระธรรมเยรมีบทที่1ข้อที่10ให้ถอนออกและให้พังลงให้ทำลายและให้คว่ำเสียให้สร้างและให้ปลูกโปรดฟังอีกครั้งครับเยรมีบทที่1ข้อที่10ให้ถอนออกและให้พังลงให้ทำลายและให้คว่ำเสียให้สร้างและให้ปลูกพี่น้องครับของเก่า ต้องถอดทิ้งแล้วสวมใส่สิ่งที่ใหม่ของเก่าหากไม่ถอนออกของใหม่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้อาคารหลังใหญ่นั้นจะวางอยู่เหมือนรากฐานที่พังถลายไม่ได้คนเก่าต้องถูกจัดการคนใหม่จึงจะปรากฏคนเก่านี่หมายถึงตัวเก่าของเราครับนิสัยเก่าๆของเรา จะต้องถูกแก้ไขก่อนต้องปลดทิ้งก่อนครับวิสัยของมนุษย์คนใหม่ถึงจะเกิดขึ้นมาท่าทีใหม่ใหม่ถึงจะเกิดขึ้นมาทัศนคติเก่าเก่าที่ไม่ถูกต้องก็ต้องทิ้งไปทัศนคติเก่าเก่าที่ไม่ได้รับการแก้ไขต้องปลดหรือรับการแก้ไขวิธีใหม่ใหม่ ก็สามารถจะเข้ามาได้วิธีเก่าๆก็อาจจะต้องพิจารณาพี่น้องครับอารมณ์เก่าๆถ้าไม่ถอนออกความสุขอารมณ์ใหม่ๆก็ไม่เข้ามาระเบียบเก่าๆถ้าไม่สังขยนณาระเบียบใหม่ๆก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้พี่น้องครับนี่คือสัจธรรมของชีวิต และเป็นความจริงที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่พวกเราเองนั้นจะต้องสำรวจเสมอก็คือว่าของที่เราคิดว่าใหม่ความจริงอาจจะเก่าแล้วก็ได้พี่น้องครับอันนี้เป็นหลักคิดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะพัฒนาตัวเองเสมอเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรายืนนิ่งถ้ากิบว่าเรากำลังเดินถอยหลังเพราะว่าโลกเดินไปข้างหน้า พี่น้องครับเช่นเดียวกันในขณะที่เราเองนั้นจะต้องทิ้งตัวเก่าเราจะต้องสวมสภาพใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากวันใดเราไม่เติบโตเท่ากับวันนั้นเรากําลังถอยหลังขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะต้องพิจารณาใข้ควรวนถึงชีวิตของเราชีวิตขององค์กรของเร า, ช, รเราชีวิตของครอบครัวของเราชีวิตของคริสตจักรของเรา เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้การพัฒนาแนละแต่ละหน่วยของชีวิตนั้นก็จะได้การพัฒนาด้วยการทิ้งสิ่งเก่าหรือการรื้อทำลายสิ่งเก่าลงนั้นไม่ได้มีความหมายว่ารื้อทำลายสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องครับโปรดเข้าใจถูกต้องครับว่าไม่ใช่เป็นการรื้อสิ่งเก่าๆที่ดีแต่เป็นการรื้อทำลายสิ่งเก่าๆที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นปมของชีวิตเช่นปมด้อยเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเรามีปมด้อยเราจะต้องปรับปมด้อยนั้นให้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้รับการฝึกฝนเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับปมเด่นหรือจุดเด่นของคนก็อาจจะกลายเป็นปมด้อยก็ได้เพราะว่าเขาใช้ปมเด่นนั้นด้วยความหญิงยโส เขามีท่าทีที่จะทำให้หรือจุดเด่นของชีวิตของเขานั้นที่จะใช้ในการบลัฟคนอื่นหรือใช้ในการที่จะดูถูกคนอื่นพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะสวมสภาพใหม่เราจะละทิ้งสิ่งที่ถทวงอยู่พี่น้องครับสิ่งที่ถ่วงในชีวิตของเรานั้นคืออะไรบ้างก็คือนิสัยเก่าๆความคิดเก่าๆ ทัศนคติเก่าๆโลกัศน์เก่าๆในหลายๆครั้งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นของโลกเมื่อมันเป็นของโลกมันก็ไม่เหมาะกับแผ่นดินของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะแยกแยะได้ยังไงว่าสิ่งที่เป็นของโลกในความหมายของเดิมเป็นของความบาปความไม่ถูกต้องทัสนคติที่มาจาก มารสาตานจริงเหล่านี้แหละครับในคำจำกัดความที่ว่าสิ่งที่เป็นของโลกด้วยเห็นนี้เองทำให้เรารู้ว่าหลายครั้งนั้นสิ่งที่เป็นของโลกภายใต้จำกัดความคำคำนี้ก็เป็นศัตรูกับแผ่นดินของพระเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะต้องปลดออกวิสัยมนุษย์เก่าๆความบาปสิ่งต่างๆที่ ไม่ดีไม่ถูกต้องไร้จริยธรรมไร้ความสัตย์ซื่อนั่นคือมุมมองของพระกัมพีที่เราเองนั้นจะต้องนำมาใคร่ครวนหากไม่ได้รื้อทิ้งหากไม่ไทำลายหากไม่ถูกถอนออกไปชีวิตของเรานั้นก็จะมีรากที่ขมขื่นจะเป็นรากแห่งความทุกข์รากแห่งความโกรธ ลากแห่งความซึมเศร้าเสียใจลากแห่งความเครียดแค้นลากแห่งความชิงชังในหลายระลกครับที่เราเองนั้นได้ถูกเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตทำให้เรานั้นถูกมัดไว้เป็นปมของชีวิตเราต้องย้อนกลับไปเพื่อที่จะแก้ปมนั้นด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการที่เราต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจา้าใด้วยการที่จะร้องขออธิษฐานวิงวอนให้พระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นที่คอยถ่วงอยู่นั้นออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายในท่ามกลางผู้ฟังเสียงสิทธิพิบาตนั้นอาจจะมีบางท่านบางคนที่ต้องการ การหยิบเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตก็ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นและขอให้พี่น้องบางท่านบางคนนั้นที่จะสำรวจชีวิตของตนเองในการที่เราจะขอพระเจ้าหยิบยกเอาบ่มต่างๆเหล่านั้นออกไปหรือเอารากขมขืนเหล่านั้นออกไปเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่มีอุปสรรคขวางกั้นในการพัฒนาชีวิตต้องลื้อ สิ่งเก่าออกถอนสิ่งเก่าออกและเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่อาเมน